เหตุตุกะทุกะเจปัญหาวาระหนึ même, 1. 1. ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุตุปัจจร้อยสามสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจใยแก่อโทสะอโมหะโดยเหตุปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ เป็นป <muitas> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุุปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะและสัมปยุตตะขันโดยเหตุุปัจจัย พึงขยายให้พิดารอารมณปัจจัยสามสเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเห almost. ตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุขันที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุจึงเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุเหตุและสัมยุญตะขันจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้น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 ด้วยเจโตปริยายานอากาสาัญจา ย, ยตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาญตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญาญตนะโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทิวิทยานเจโตปริยายานปุเพนิวาสานุสติยานยถากรรมู ป, ปักขยานและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอรมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานบทนี้เหมือนข้อความข้างต้นไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอรมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานบทนี้เหมือนข้อความข้างต้น ไม่มีข้อแตกต่างกันร้อ mm. สามสสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยระมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุและ market market, สัมยุญตะขันเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่ conflict, เป็นเหตุโดยอระมณปัจจัยได้แก่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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่เพราะทำเหตุให้เป็นอารมณ์หนึ่งหนักแน่นเหตุจึงเกิดขึ้นสหชาตาทิปติได้แก่อธิปดิธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่เพราะทำเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแค่สาภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุและสัมปยจจุตขันจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติจจได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและเหตุโดยทีปฏิปัจจัย ร้อสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้ว ออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป uhm ็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาจาตาธิปติได้แก่ ธิปปฎีธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานบทนี้เหมือนข้อความข้างต้นนั่นเองสหชาตาธิปติได้แก่ อธิปดิธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหชาตาธิปติอารมนาธิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานบทนี้เหมือนข้อความข้างต้นนั่นเองสหชาตาธิปฏิได้แก่ อธิปดีธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและเหตุโดยทิปฏิปัจใจร้อยสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปฏิได้แก่เพราะทำเหตุและสัมยุญตะขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุ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 โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย <j ay, S 1> like ่างเดียวคือระมนาธิปติได้แก่เพราะทําเหตุและสัมบยุญัติขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุและสัมบัญญัติขันจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่เหตุที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ เหตุที่เ <Techn> ก <Pokémon> ิด hey ก่อนๆเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมพยุตขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยร้อสสสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจยัยแกโ่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจยัยแก่โวทานในวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจยัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตรปัจจยัยสภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจยัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอนันตรปัจจยัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจยัยแก่เหตุที่เกิดหลังๆัง โดยอนっぱっぱันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูยอ่อสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่เหตุและส ม, มยุติขันธ์ซึ่งเกิดหลงัลงหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภู บทที่มีสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นมูลมีสามวาระเหมือนกัน144สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่เหตุและจำปัุตุบันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่เหตุที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย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 โดยอนันตรปัจจัยได้แก่เหตุและสัมบัติขันธ์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมบัติขันธ์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสหชาติปัจจัยเป็นต้นร้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยสหชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัย ปัจจัยทั้งสมเหมือนกับเหตุปัใจจัยในปฏิจจวาระอุปาณิสยปัจจัยร้อยสี่สิหสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอันันตารูปปาณิสยาและปกะตูปาณิสยาปกะตูปาณิสยะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอุปาณิสยปัจจัย พึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยแก่เหตุและจำยุติขันท์โดยอุปาณิสยปัจจัยพึงอ้างถึงบทที่เป็นมูลแห่งวาระทั้งสองอย่างนี้สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปาณิสย อนันตารูปะนิสยะและปะกะตูปะนิสยาปะกะตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลความปรารถนาแล้วจึงให้ทานทำลายสงศ์ศรัทธาความปรารถนาเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามักและพละสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยบทที่มีสภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นมูล พึงขยายให้พิสดารด้วยเหตุนี้ที่เหลือจากนั้นมีสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปะนิสยอนันตารูปะนิสยและประกาตูปนิสยประกาตูปะนิสยได้แก่เหตุและสัมยุญตะขันเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอุปนิสยปัจจัย พึงอ้างถึงมูลสองเหตุและสัมบุญตะขัน์เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุและสัมยุญตขันเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมยุญตขัน์โดยอุปาินสยปัจจัยอาเสวณปัจจัยสี่สเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอาเสวณปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยกรรมะปัจจัยร้อยสี่สิบปดสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนาน า, นาคเนกกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมะปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนาน า, นาคนกกะได้แก่ เจตนาที nicht, Tag, Tank, 101, December, hace, people, ่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแคันที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุดวยกรมมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุดวยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแค่สัมยุญตเหตุดยกรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่เหตุที่เป็นวิบากโดยค a r มปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดย k a r มปัจจัยมีสองอย่างเือสหชาตะและนานาคณิกกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและเหตุ โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันและเหตุที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยวิปากรปัจจัยร้อยสี่สิบก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยวิปากรกปัจจัยได้แก่อโลภะที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่อโทสะและอมโมหะ โดยวิปากะกปัจจัยพึงผูกเป็นจกกนักรในในปฏิสนธิขณะอโลภะพึงขยายให้พิสดารเหมือนเหตุ ป, ปัจจัยพึงกำหนดว่าเป็นวิปากแม้ทั้งกลาวาระอาหารรัปัจจัยเป็นต้นร้อยห้าสิบสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอาหารรัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ เป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอินทริยปัจจัยพึงกําหนดว่าเป็นอินทรีย์ทั้งเก้าวระบริบูรณ์แล้วสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยชานะปัจจัยมีสามวระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยมัคราปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทันัยร้อยห้าสิบเอ็ดเฮตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระ อนันตรปัจจัยเมฆาวาระสมณันตระปัจจัยเมฆาวาระสหชาตาปัจจัยเมฆาวาระพญามัญญปัจจัยเมฆาวาระนิสยปัจจัยเมฆาวาระอุปาณิสยปัจจัยเมฆาวาระอาเจวะณปัจจัยเมฆาวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยเมฆาวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยเมฆาวาระ ชาณปัจจัยมีสามวาระมขะปัจจัยมีเ้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอธิปัจจัยมีเ้าวาระนติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัญญายุทธะร้อยห้าสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุ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 โดยอรรถมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาินสยปัจจัยร้อยห้าสิบสามสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาินสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุโดยอรรถมณปัจจัยสหชาตตปัจจัย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 สาชาตะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยสองปัจจยะปัจจนนยะสองสังคยาวาระร้อยห้าสิบห้าณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระพึงนักอย่างนี้ปัจจนนยะจบสามปัจจญานุโลมปัจจนนยะเหตุทุกขในร้อยห้าสิบหก ณอรมณปัจจัยขเภตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจจัยขเภตุปัจจัยมีสามวาระณสมมันตระปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระนมัคคะปัจจัยมีสามวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ พึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญิยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกข์ในร้อยห้าสิบเจ็ดอารมณะปัจจกับนาเหตุปัจจหนึ่งฆาวาระอธิปติปัจจัยมีงาวาระอนันตระปัจจัยมีงาวาระสมนันตระปัจจัยมีงาวาระสหชาตปัจัยมีสามวาระอัญญมัญปัจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวณปัจจัยมีเ้าวาระกามปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมะขะปัจจัยมีสามวาระสัมพยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระ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 ุสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระร้อยห้าสิบแสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจกนักรไนโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจกนักรไนในปฏิสนธิขณะ เพงขยายให้พิสดารเหมือนเหตุเสหตุกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะจบหกหน้เหตุเสหตุกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจร้อยห้าสเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ และที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะร้อยหกสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมหาภูตรูปสาม อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยหาทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นร้อยหกสิเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสุมทานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยมหาภูตตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เ so ป็นเหตุไม um ่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองกระตารูปอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 เพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสาอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันสองย่อพึงจำแนกอย่างนี้หนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนยัยร้อยหกสสาเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจมีสี่วาระอธิปฏิ ป, ปัจจัยมีห้าวาระ อนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาติ slows, ปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปญนิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระอเจวะณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีเ้าวาระย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระสัมยุตตปัจัจมีสีวาระวิปยุตตปัจัยมีเก้าวาระอถิปัจจัยมีก้าวาระนัธถิปัจัจมีสีวาระวิคตาปัจใจมีสี่วาระอวิคตาปัจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยะปัจนิยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจัย ร้อสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นเ พ, นเพราะหน้าเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนที่ขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญาัตตพรมไม่มีโมหะหน้าอ ร, รมาณปัจจัยร้อหกส้า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 ในปฏิสนธิขณะพึ่มเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะยอ่อสองปัจจยะปัจจญยะ สสังคยาวาระสุทไนร้อยหกสนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอะอรมาณปัจจัยมีสามวาระน่อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมณันตรปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระน่ปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเ้าวาระ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 พึงนับอย่างนี้ปัจญจิยะจบสปัจจญานุโลมปัจจนิยเหตุทุกกนในร้อยหกสิบเจ็ดณอารมณะปัจจัยกเพเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจใจมีเก้าวาระณอนันตระปัจใจมีเก้าวาระณสมณันตร ะ, ะปัจใจมีเก้าวาระณอัญญมัญญะปัจใจมีเก้าวาระณอุปานินสยปัจจัยมีสามวาระ นาปุเรชาตตปัจใจมีเก้าวาระนปัชชาชาตตปัจใจมีเก้าวาระนาอเสวนปัจใจมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจใจมีห้าวาระณาสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระพึงนักอย่างนี้อนุโลมปัจนิยะจบ ปัจยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกนายร้อยหกสอารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอมหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจติญยานุโลมจบแม้ในสหชาตวาระก็พึงนับอย่างนี้หกนเหตุเสเหตุกะทุกกะสามปัจยะวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้นร้อยหกสิบเก้า สภาวธรรมที่ไม네่เป็นเหตุแต่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่มหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและขจจตารูปที่เป็นอุปาทัยรูป รำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุทรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสโมทานรูปธรรมะหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุธรรมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยขัตนามีสามวาระ ปรวัติการและปฏิสนธิการบริบูรณ์แล้วยอ่อร้อยเจเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสี่วาระอสิวะณปัจจัยมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบร้อยเจ็เอ็เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอารมณะปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจนียจบนิสยวาระเหมือนกับปั จ, จยะวาระหกนาเหตุเสเหตุกะทุกระห้าสังสัทธวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นร้อยเจสิบสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ เพราะเหตุปัจจัยได้แก่เกิดรกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุในปฏิสนธิขณะร้อยสีดสิบสามเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอันันตรปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบ ร้อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเพราะนเหตุตุปปัจจัยได้แก่เกิดรักคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุในปฏิสนธิขณะร้อสห้านเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระน่นอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระ นอาศวนะปัจใจมีสองวาระนกรมะปัจใจมีสองวาระนวิปากะปัจใจมีสองวาระนาชานะปัจใจมีหนึ่งวาระนมัคคปัจใจมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจใจมีสองวาระปัจจนยะจบการนับทั้งสองอย่างที่เหลือพึงนับอย่างนี้สัมปยุตตะวาระเหมือนกับสังสัถวาระ